เพราะข้อปฏิบัติในคำสอนไม่ใช่ให้ไปทำลายรูปแต่เมื่อรูปที่น่าปรารถนาะอันนั้นเกิดขึ้นอ่ะคิดยังไงจึงจะเบื่อหน่ายในรูปนั้นนั้นอ่ะอันนั้นแหละคือการเจริญวิปัสสนานะนี่ถ้าผู้มีปัญญานี่เเขาบอกแนวทางแค่นี้เขาเข้าใจเลยว่าเขาจะต้องคิดยังไงกับสีเพื่อจะไม่ให้เพลดิดเพลินในสีนะคิดยังไงกับคุณชูสีจะได้ไม่เพลดิดเพลินในสีนี่จะเบื่อหน่ายกับสีละ อ๋อนี่ไม่เที่ยงทําไมจึงไม่เที่ยงล่ะอ๋อไม่เสื่อมสิ้นไ ป, ไนไปแล้วยังไงอีกมันทุกข์เพราะมีภัยกันนะเป็นยังไงอีกถ้าเจริญอย่างนั้นมากๆคิดว่าจะเบื่อไหมเ น, ะนาะโอ้ยต้องรอเอ็นซีด้วยในะจักขุนซีหรือเปล่าไม่ใช่นะ ไม่ใช่ว่ารอให้จากขุนซีมันแก่กล้าขึ้นไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าถ้าภาคเพียรพยายามมากอินทซีก็จะแก่กล้าคืออินซีเนี่ยนะแก่กล้าด้วยอาการฉมนั้ว่าปัญญซีเนี่ยจะแก่กล้าด้วยหนึ่งเว้นคนไม่มีปัญญาสองคบคนมีปัญญา3พิจารณาขันอัจฉริยะธาตุให้มากอันนั้นเป็นเหตุให้มีปัญญามากขึ้นถ้ารอมันแก่เองเนี่ยที่แก่นี้จากขุนซีโสตินทรีย์ กายยินซีเนี่ยนะอันนี้แก่แน่แต่ว่าไอ้ปัญญยินซีนี่ไม่แก่นะถ้าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ภาพเพียรที่จะเจริญความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันเนี่ยไม่ใช่ว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่ๆแล้วมันเบื่อเนึกเบื่อขึ้นเองแต่หมายถึงว่าอ บ, บรมอนุปัสนาสามอย่างมากเพื่อความเบื่อหน่าย น, นะคือตามเห็นสิ่งเหล่านั้นจนก็เห็นเว้นตลับนะจึงจะคู่ควรแก่การเบื่อหน่าย เพราะว่าถ้าอย่างโดยเนื้อหาของวิชาเนี่ยนะถ้าผู้ที่เบื่อหน่ายจนบรรลุมักเนี่ยนะยังไงก็ไม่เวียนกลับมาอีกไม่เวียนกลับมาเพลิดเพลินในในวัตถุนั้นซึ่งต่างจากโทสะใช่ไหมโทสะก็เบื่อเนี่ยแต่ก็เวียนกลับมามาเอาสิ่งนั้นอีกเนี่ยเวียนกลับมาชอบในวัตถุนั้นนั้นอีกแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยจะไม่เวียนกลับมาอีกถ้าถ้าวิปัสสนาที่อบรมจนถึง มักนี like, exploring, exploring sure. ่ก็มาดูโดยปริมาณประจําประจําวันหรือประจําอะไรก็ตามแต่เถอะเราพอกพูนคู่ควรแก่การเบื่อหน่ายไหมเนี่ยนะหรือถ้าเราเพลิดเพลินอยู่นะก็อย่างน้อยที่สุดนะท่องวัดตากกถาไว้ลยเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะเพราะเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะทุกไหนบ้างอะมีวัตถุอารมณ์ใดบ้างที่ไม่เป็นอารมณ์ปัจจัยของปฏิสนธิในภพใหม่มีไหม คนหาที่อารมณ์ที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการเกิดใหม่เนี่ยมีมีไหมคุณอาลีไม่มีนะไหนที่ไหนอุษา <โฆ S 2> ทุกมาขนาดนั้นในนักการะเอาธรรมดาเนี่ยเอาที่มันเห็นเนเนี่ยนะเอาแบบเนี่ยเห็นเได้ยินรู้เลยเนี่ยมีอารมณ์ไหนบั่งที่ไม่นําปฏิสนธิในพบใหม่เมื่อทุกๆอารมณ์เหล่าเนี้ยนําปฏิสนธิในพบใหม่ จึงกล่าวว่าอารมณ์เหล่านี้ควรรือที่จะเพลิดเพลินเพราะสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งชาตินํามาซึ่งชราเนี่ยนะนำมาซึงาาา่งการเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะอันท่าความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดแต่ถ้าใครฟังนี่ยนวิชานี้มันเป็นวิชาที่ไว้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าใครมีอัธยาศัยยังไงถ้าผู้ที่มีอัธยาศัยวิวัตตเนี่ยนะฟังแล้วจะมีความสุข เมื่อฟังว่าเพราะความเพลิดเพลินเป็นเหตุแห่งการเกิดในภพใหม่ถ้ากําจัดความเพลิดเพลินได้อันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งความความสุขเนี่ย น, ยนยะผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะฟังแล้วจะพอใจมากเนี่ยนะเพราะนี่คือทางออกของเขาคือเหมือนกับว่าคนที่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งไหมถ้ามีผู้แนะนําทางออกส่วนใหญ่ก็จะมีมีความสุขกับการรู้ทางออกฉัน้นใดผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะก็เหมือนกัน ก็จะเห็นด้วยอยูอ่ urf. วัตทุุงแน่นอยู่ที่การดับความเพลิดเพลินนะอย่างที่ถามคุณชูศรีเมื่อกี้ว่าเออเนี่ยคิดยังไงจึงจะไม่เพลิดเพลินในสีที่น่าปรารถนาไม่ใช่ไปนั่งดูสีที่ไม่น่าปรารถนาแต่พูดถึงว่าเพราะไอ้สิ่งที่ที่เราชอบชอบมันไม่ใช่ชอบสิ่งที่ไม่น่าปรารถนามันชอบในสิ่งที่น่าปรารถนาคิดยังไงจึงจะเลิกปรารถนาคิดยังไงจึงจะเลิกพอใจในวัตถุที่น่าพอใจนั่นแหะ เราเรามักจะพูดถึงาทางจักขุทวาเป็นเป็นเป็นประจำเลยนะครับลองเปลี่ยนดิลองเปลี่ยนมาผพ้กนารลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนเออเมื่อไหร่เราจะหยุด้เพลิดเพลินความอร่อยสัทีนะนะตรงนี้นี่ได้เรื่องหลายคนนะผมว่านะได้ได้เรื่องหลายคนจริงๆครับ เพราะว่าคนติดในรถนี่มากมากทีเดียวนะหรือว่าในสีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน ะ, ะติดในรถเนี่ยมากจริงๆนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะขอโทษนะโดยเฉพาะคนคนจีนนะคือคือผมสังเกต ด, ดูนะวันนั้นนะมือเย็นนะอ่ะมีมีม มีคนหนึ่งก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวมาสามชามนะฮสามชามเลยนะวางมาพร้อมเลยนะครับนั่งอยู่โต๊ะนั่งกูอยู่คนเดียวนี่นะครับแล้วเขาก็ถ่ายทั้งสามชมลงเปชามเดียวครับนะลงไปชามเดียวแล้วเขาก็ผสมใหญ่เลยครับ<ม>เครื่องปรุงนเนี่ยแล้วก็ทานด้วยกระเทียมใช่ไหมแล้วก็เขาควีบก๋วยเตี๋ยวเนี่นะใส่ปากนะผมผมแอบมองเขา ผมแอบมองทางกระจกเขาเลยนะคือเขาขี้ใส่ปากนี่นะคํานึ่งนะแล้วก็จะไม่หยุดเลยเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็จะคับติดต่อเรื่อก๋วยเติ๋ยวมาพร้อมก๋วยติ๋วเขาค่อยอยู่นะก็เข้าไปก็กินเข้าไปกินเข้าไปด้วยนัานๆยิงจะขึ้ น, นมาตะกีหนึ่งเหนื่อยนอยักหนึ่งตีนะฮแล้วในขณะที่ก๋วยเตี๋วเขอยู่ในปากนันเขาขก็ขี้เอาชิ้นเนื้อนนั้นน่ะใส่เข้าไปเข้าไปพร้อมมาด้วยบางทีนะเพราะฉะนั้นเราดูเราดูแล้ว เรื่องรถนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณแล้วทีกินแบบแปลกเรากินลูกเตี๋หมี่นน้าแดงแล้วอ <c oughs> คนที่ไปฮ่องกงจะรู้นะครับว่าะคนคนคนฮ่องกงเนี่ยนะฮะกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินกว๋วยเตี๋ยวร้อนมากเลยครับร้อนมากนะฮะแล้วก็วิธีกินก็ยกขึ้นมาเนี่ยสุดยอดแล้วก็ดังด้วยนะแล้วก็เร็วมากเลยครับไมก่กี่ทีครับหมดชามเลยครับ ไม่กินซูทหมดเลยพรากินอย่างนั้นที่กินเลยเ <c oughs> ว่าในพระนะไอ้ทวันลินเนี่ยนะฮะอย่าไปว่าเข า, างนั้นเลยนะั่นเราเองนั่นแหละเนี่ยนะดูมันน่าเกลียดกันน้ารักโดยมีใครดูก็อาจจะมูมากว่านั้นนะเนี่ยนะก็เราสังเกตดูเองบ่อยๆนะถ้ามันมีคนเห็นไม่อะไรก็อาจจะอาจจะทานไว้กว่านั้นนะของมานะ่ยท่าเบื่อนะเบื่อทวานหนึ่นไม่น่าเบื่อเบื่อทวารความคิดเนี่ย นี่ถ้ามันเลิกคิดมันิสัยจะดีมากเนี่ยทวารที่น้าถ้าถ้าถ้าว่านหน้าเบื่อนเนี่ยคือไอ้ทวารความคิดเนี่ยพันธุ์ิงกษัตรย์ทั้งหลายมันเพลินในความคิดใช่ไหมพอคิดคิดไปอ้าวเพลินไปห้านาทีแล้วยังไม่กูไม่กลับเลยนะแต่ถ้าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ความทวารจากความคิดนั้นถ้าถ้าเห็นภัยในความคิดมากกว่านี้นิสัยจะดีเยอะหนึพ้นทุกข์แน่ เมื่อไหร่จะเลิกคิดสะทีนี่นะถ้าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มันจบความคิดสะทีหนึ่งถ้าจบความคิดได้เนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าทำไมความคิดมันจึงน่ากลัวจึงน่ารังเกียจเพราะว่าเจตนามันเกิดร่วมทุกข์กับความคิดใช่ไหมมีความคิดไหนไม่มีเจตนาบ้างทั้งทุกๆความคิดนำมาซึ่งผลหมด มันไม่ใช่หยุดอยู่แค่คิดเท่านั้นมันจะมีผลอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะสมะว่าเราหนึ่งคิดหนึ่งแวบขึ้นมาเนะี่ยมันให้ผลเท่ากับหนึ่งความคิดใช่ไหมคุณธพาเป็นงั้นไ้ยคิดหนึ่งอย่างก็ให้ผลหนึ่งอย่างเป็นไหมเจตนานะมันให้ผลเท่านั้นหรือเปล่า<ม>เยอะกว่านั้นเป็นพันล้านเท่านั่นนะคิดหนึ่งครั้งเนี่ยนะสมมุติถ้าถ้าเราแบบ เกิดมาเนี่ยทํากรรมหนึ่งกรรมว่าพูดหนึ่งคำเนี่ยไปพูดเรื่องดีก็ได้เรื่องไม่ดีก็ได้หนึ่งคางําหมือนกันแถอะโอ้สบายเลยนี่ยนะบริโภคไอ้คาผลของคํานั้นเป็นชาติหรือบางเจ้าเนี่ยหลายชาติเลยนะผลของคําเดียวเนี่ยพูดคําเดียวเนี่ยเหมือนว่าด่าใครนะคําเดียวพอแล้วก็อยู่อบายสบายสบายหลายล ช, ชาติหมายวว่าไม่พ้น ง, ง่ายๆนะ หรือถ้าพูดดีเนี่ยชมพระพุทธเจ้าคำเดียวก็มีผลหลายชาติอีกเหมือนกันไอตัวเจตนาที่เกิดร่วมกับความคิดเนี่ยนำมาซส่งการการเกิดในพบใหม่โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะอันถามว่าทำยังไงที่จะออกจากความคิดเหล่านี้ได้เนี่ยนะแต่ว่าศึกษาคำสอนเนี่ยนะเป็นที่พอใจยอยู่เนี่ยนะคำว่าอนิสระณะนะบอกว่ากำจัดฉันทราคะในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นเสียเถอะ นั่นแหละเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นะนะ่ะอันนี้ชอบมากนะนะเออเนี่ยทางออกมันอยู่ตรงนี้เองคือคิดยังไงที่จะไม่เพลิดเพลินในวัตถุเหล่านั้นนะ่ะนั่นแหละคือวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะแนะนําวิธีการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะนะถ้าไม่เป็นไปเพื่อจุดเหล่านั้นให้รู้ว่านั่นไม่ใช่วิปัสสนาตามคําสอนคือถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อกําจัดฉันทะราคะในในวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะนะไม่ไม่ใช่วิปัสสนาในที่นี้ ไม่ใช่วิปัสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นไปเพื่อเบอร์นายในทวารอื่นๆก็เหมือนกันนะอย่างธรรมรมเนี่ยน่าปรารถนามากถ้าถ้าจะกล่าวไปนะในในบรรดาสิ่งที่น่าปรารถนาเนี่ยธรรมรมสัตว์ทั้งหลายก็ปรารถนาคือตัวธรรมรมเนี่ยคือภาวะรูปจต่เมื่อถ้าเป็นทวารข้างนอกเลยนะ คือที่ไม่ใช่สีเสียงกลิ่นรสโผทะพะที่เหลือทั้งหมดนั้นเป็นธรรมารมณ์อย่างสีนะซึ่งประกอบไปด้วยสีเสียงกลิ่นรสโผทะพะแต่ถ้าในวัตถุเดียวกันไม่มีชีวิตรูปพอใจไหมถ้าในวัตถุเดียวกันไม่มีภาวะรูปหรือในวัตถุเดียวกันไม่มีจิตและเจตสิกเนี่ยนะ สมมติว่าอาเราสมมติถ้าเราสมมติว่า เ, าเขาชอบอาจารย์วินิตยอย่างเงี้ยนะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดใช่ไหมถึงจะชอบแต่ถ้าตัดธรรมอารมณ์ออกไปนะชอบเหรือไมเช่นหนึ่งทาเว้นสีเสียงกลิ่นรสโผฏภะเสียเช่นตัดขอภายนะตัดไม่มีชีวิตรูปอยู่ในนั้นเลยนะพอใจไ้ยอย่างเงี้ยนะถ้าตัดภาวะรูปออกไปเนี่ยนะ ถ้าไม่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะไม่มีธรมรมารมคือความรู้สึกนึกคิดในวัตถุนั้นเนี่ยจะเป็นที่พอใจไหมก็ก็ไม่เป็นที่พอใจ น, นั้นจริงๆแล้วเราก็ติดเบื้องหลังของของรูปเสียงกลิ่นรสนั้นไม่ใช่น้อยเนี่ยนะไม่ไม่ใช่น้อยเลยคือกลุ่มภาวะรูปเป็นต้นนั่นเองเนั่นะง่านพวกภาวะรูปหรื อ, อชีวิตรูปก็เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาพิจารณาให้มากน่นะ ก็อย่างที่เคยกล่าวว่าสมมติถ้าปรูปารมณเนี่ยนะสีทั้งหลายถ้าไม่มีชีวิตหล่อเลี้ยงเนี่ยอะไรจะเกิดถ้าไม่มีภาวะอยู่ร่วมด้วยนะถ้าไม่เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเนี่ยนะไม่เป็นที่ตั้งแห่งจิตเจตสิกเนี่ยวัตถุนั้นจะน่าปรารถนาสักเพียงไรโอโ้โหมันลดไปเยอะเลยใช่ไหมวัตถุนั้นจะไม่น่าปรารถนาอย่างมากเลยถ้าหากว่าตัดเนี่ยภาวะรูปออกไป ชีวิตตัวรูปออกไปและที่สําคัญคือตัดจิตเจตสิกออกไปสะอันนี้ก็ยิ่งโหแทบจะก็นั่งอยู่กับวัตถุที่ไม่มีจิตเจตสิกเนี่ยนะที่รูปร่างเหมือนคนเนี่ยเอาไหมให้ไปอยู่ด้วยกันคืนหนึ่งเลยไหมไม่ไหวนะคุณพิท <c oughs> <c oughs> ก็ภาษาไทยเขาเรียกว่าอยู่ร่วมกระสบนั่นแหละเพราะว่าไม่มีชีวิตตินซีแล้วไม่มีจิตเจตสิกนั่นแหละก็เรียกว่าไม่ใช่มนุษย์ <c oughs> นนั้ทวารที่เป็นธรรมารมเนี่ยเราก็ติดไม่ใช่น้อยเนี่ยนะติดมากด้วยหรือแม้กระทั่งความคิดที่เราคิดเนี่ยเราก็ติดนะติดในความคิดของเราเองตัวความคิดนั่นก็เป็นธรรมารมด้วยเนี่ยนะหน้าปราถนาทพราะนสิ่งใดที่อย่างอย่างอย่างเช่นที่ประชุมทั้งหลายแะไรเนี่ยนะใครคิดอะไรได้นัคนนั้นจะพอใจกับความคิดอันนั้นมากเสนอความคิดของตัวเองนี้เป็นเป็นใหญ่ถ้าใครมาปาดความคิดดูนะมาตําหนิความคิดนั้นดูอะอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้นเราติดความคิดเนี่ยติดไม่ใช่น้อยๆเลยนียยิ่งสังคมชั้นยิ่งที่เรียกว่าคนมีความรู้มากอ่ะนะโอ้โหติดอตรงนี้อะมากยิ่งยิ่งถ้ายิ่งมีอะไรมากๆนะพวกนี้จะติดธรรมารมณ์มากขึ้นมากขึ้นที่เรียกว่ากลุ่มติดนามธรรมนันะวันนี้จะยึดติดนามธรรมมากโดยเฉพาะเนี่ยพวกธรรมารมณ์ทั้งหลายถ้าเป็นความรู้สึกนึกคิดถ้าเป็นเรียกว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดมาจากความคิดของเขาเนี่ย ยอมหมดอ้ะนะก็พอใจมากติดมากใครมาลบหลู่เขาหน่อยเนี่ยโอ้โห oh. สงครามใหญ่โตเกิดแน่นี่ยมินประมาทฐาน ม, มินประมาทความคิดของเขาอ่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ท, ที่ที่ละเอียดมากเลยแล้วก็การเข้าไปติดนั้นติดโดยไม่รู้ตัวซะด้วยอืมสมมว่าถ้าเราติดในในรูปในรถนี่นะครอันนี้มีตัวตนเห็ น, หนง่ายเห็นง่ายว่าเออเราเข้าไปติดจริงจริงใช่ไหะ แต่ถ้าจะกล่ามานี่นะทำอารมณ์นี่นะคล้ายๆว่าเราไม่ไม่ไม่ติ ด, ตดแต่จริงๆแล้วติดตรงนี้ดีครับ ด, ดีกว่าเากก็ติดในความรู้สึกไง น, นะอย่างเช่นเข้าสู่ที่ประชุมเ็นต้นเนี่ยจะเห็นชัดบางคนเนี่ยนั่งกอดอกเลยนะประกาศว่าเขามีความมั่นใจในในความคิดของเขามากะนะ<ม>อ่ีคือเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาคิดมาก ถ้าจะมาว่ายิ่งเกรงมากเท่าไหร่นัคนนั้นยิ่งเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากเท่านั้นเพรานการยึดติดในความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายติดไม่ใช่น้อยเนี่ยนะถ้ายิ่งที่เรียกว่าสังคมที่เรียกว่ามีการศึกษายิ่งติดมากติดจนบางทีจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะดูถูกดูหมิ่นกันไม่ได้เนี่ยนะหรือถ้าแค่ไม่ยกขึ้นมาแค่นั้นอนะ่ะถ้าถ้าไม่ยกไอสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาสู่สาธารณชนอีกก็มีปัญหาอีกเนี่ยนะ หรือสมมติว่าไปนั่งในที่ไหนไม่มีใครชมเขาก็เดือดร้อนอีกเหมือนกั น, นถ้าไม่มีใครยกย่องไม่มีอะไรเนี่ยพราะันพวกพวกโลกของความคิดเนี่ยถ้ายิ่งระดับสูงไปจะติดมากกว่าระดับล่างๆและแกะยากมากเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่เรียกว่านามธรรมายิ่งแกะยากที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นระดับกุศลเนี่ยนะสัตว์ก็ยึดมากกว่ายึดอกุศลพอใจในกุศลกับพอใจในอกุศลสัตว์จะยึดอันไหนมากกว่ากันยึดในกุศลมากกว่า พอไปในระดับสูงนะถ้าได้ฌานเนี่ยนะยึดฌานมากกว่ายึดวัตถุอย่างอื่นอีกมันจะยิ่งยึดยึดยึดยึดในโลกที่เป็นนามธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมานผู้ที่จะละในโลกของนามธรรมได้อย่างสูงสุดนะี่ยคือพระอรหันตนะ์ละความยึดถือในใน ใ, ใ, ใ, ในนามธรรมนะพระนาคามียังละไม่ได้แม้กระทั่งอย่างกลุ่มฌานาจิตเนี่ยนะพระานาคามีละไม่ได้ยังเพลิดเพลินในความคิดนั้นนั้นอยู่ ยิ่งผู้ที่เจริญสมถาวิปัสสนาก็เพลิดเพลินในสมถาวิปัสสนาอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการการยึดติดในโลกของนามธรรมาเนี่ยละเอียดมากเนี่ยนะจะยิ่งยึดยึดยึดยึดแล้วก็น้อยคนนักที่จะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยยึดติดในในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะแต่คนที่ที่เรียกว่าโดยทั่วไปอ่ะเหมือนกับว่าเราไปติดในวัตถุภายนอกคือเป็นบุคคลที่พร่องในวัตถุภายนอก มันยังยึดติดในวัตถุภายนอกแต่ผู้ที่มีความเพียงพอในวัตถุภายนอกจะยึดติดในภายในายมากนะนะผู้นี้ยึดติดกว่าภายนอกด้วยซนะ้ําไปเรียกว่าสำนวนว่าสับเป็นไทยๆเราก็บอกว่าเสียสตังไม่ว่าอย่าเสียชื่อเป็นต้นเนี่ยพว้นี้ยึดติดความคิดทั้งนั้นนะนะถ้าส <c oughs> ัางคมไหนนะที่เขาเห็นว่าไม่คู่ควรกับความคิดเขาเขาจะไม่เข้าร่วมเลยไม่เข้า่นะนะาให้ความสําคัญกับความคิดสูงมาก มานะมันเกิดกับอาศัยสิ่งเหล่านั้นนะถ้ายิง่งมานะก็คือไอ้ความสําคัญตัวเองเนี่ยนะเพราะว่าพวกที่ไม่เจริญอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะจะให้ความสําคัญกับความรู้สึกมากทาั้งๆที่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรหรอกในขณะนั้นนะจริงๆนะพอคนไปจริงๆอะ่ะเหมือนกับว่าเ อ, อ้ยเนี่ยกรรมอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะแบออกไปแล้วไม่มีอะไรชั้นใดก็ดีนะสิ่งที่เราสําคัญในความรู้สึกก็เหมือนกันนะ พอเจาะไปในชั้นรายละเอียดจริงๆมันไม่มีอะไรไอ้สิ่งที่ที่เอามาสําคัญนะเพราะไอ้ความยึดเนี่ยถ้าเป็นธรรมดาทั่วไมันจะยึดก่อนหลังจากยึดแล้วมันจะมี m a n ะเข้าไปอาศัยในในสิ่งนั้นก็เกิดการไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นแล้วทําให้ว่าบุคคลอื่นเนี่ยด้อยเกินไปอันมา n ะเนี่ยมัน mana เนี่ยสับติดมากนะถามว่าถ้ามา n ะที่ที่สัตว์ทั้งหลายยึดถือและจะนํามาซึ่งอะไรนํามาซึ่งโทสะ ถ้าถ้ามีมานะนะถ้าถ้ามีวานะในวัตถุสิ่งใด น, นะทำให้บุคคลเนี่ยขาดเมตตาเช่นถ้าเราสําคัญว่าเราดีกว่าเขาเราจะขาดเมตตากับบุคคลเหล่านั้นอีกถ้าพอๆกับเขาเราก็ขาดเมตตากับเขาอีกเขาก็ช่วยเหลือเขาเองได้ไม่จําเป็นต้องเราใช่ไหมถ้าเราสําคัญว่าต่ากว่าเขากว่าเขาเขาดีกว่าเราเราก็ไม่จําเป็นต้องไปอันนี้อะไรกับเขาพันมานะเนี่ยทาให้ขาดเมตตา นั่ะทำนำมาซึ่งความขาดเมตตานํามาซึ่งความเ อ, อ่อเย่อหยิ่งไปต้นนั้นสัตว์ถ้าจะยิ่งแบบได้รับการปลูกฝังมาอย่างเงี้ยติดกว่าธรรมดาอีกคนมีมานะเนี่ยบางทีไม่ยอมกินข้าวก็มีเนีย่ยนะถ้ายิ่งมานะมากๆากข้าวก็ไม่ยอมกินอย่างเช่นสังคมชั้นสูงเนี่ยจะไปดื่มน้ําบ้านจนทานก็ไม่เอาอะจะหิวให้ตายเขาจะเขาไม่ยอมดื่มเด็ดขดาดนั่ะถ้าถ้ายิ่งจะยิ่งมานะมากน้ำจัดขนาดนั้นเลย อันนี้เรากําลังพูดเรียนเพื่อให้พ้นมานะเห็นไหะถามว่ามีนะมันอยู่ตรงไหนคุณบลชุบุลมีเอามาให้ดูสิในนังสือเขากล่าวอย่างนั้นเขบอกว่า ม, มานะนี่เว้นแต่พอทหารแต่ต้องมีมทุกคนอันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันมาไปต้มทีนี่นี่มันร้ายนักคือถ้าถ้ากล่าวว่ามีอยู่นะแล้วมันมีอยู่ตรงไหนเห็นไหมถ้าถ้าเราพูดว่ามันมีอยู่ มันก็เป็นลทัทธิลทัทธิอัตตาก็แสดงว่ามันเที่ยงอยู่ในนั้นแล้วจริงๆอะ่ะเป็นอย่างนั้นไม่เล่ า, าถ้าเราสําคัญว่าเรามีอยู่นะถ้ามีอยู่มันก็ต้องค้นออกมาได้เช่นถ้าเป็นในโลกของของของขอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมถ้าสิ่งใดที่มีอยู่แปลว่าสิ่งนั้นอาจค้นเอาออกมาได้แต่ถ้าในโลกของนามธรรมค้นออกมาจากตรงไหนถ้าเราไปสําคัญว่าวัตถุเหล่านั้นมีอยู่ไม่ถูกเพราะสิ่งเหล่านี้ย เป็นสิ่งที่ประชุมกันแล้วเกิดขึ้นอย่างเหมือนคำพูดที่ที่อตมาพูดไปเนี่ยนะคำเหล่านี้มันมีอยู่ตรงไหนก่อนไหมมีก่อนมานี้ไหมไม่มีแต่ถ้าได้ปัจจัยและคำพูดจะเกิดขึ้นชั้นใดก็ดีกลุ่มมานะทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ถ้าเราไปบอกว่าทุกคนมีมานะอยู่ถามว่าถ้าคิดแบบนี้จะเป็นไปเพื่อปฏิบัติให้ละมานะไหมเนี่ยนะถ้าถ้าเราบอกเออทุกคนมีมานะกันทั้งนั้นแหละ คิดไหมว่าเราจะจะต้องปฏิบัติเพื่อกําจัดมานะไม่อย่างนะกลับจะมีมานะมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดีดีอะไรขึ้นไปอีกรู้ไหมก็เรามันไม่ใช่พระอรหันนั่นนะนั่นนะใช่ไหมอันนันน้นนะมหามานะมันเกิดขึ้นมามากแล้วนะอันนมหามานะอันนั้นถ้ามันเกิดขึ้นกว่านั้นอีกก็อติมานะดูหมิ่นคนอื่นเขาไปอีกยันหนักไปอีกเสร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมานะอีกตัวหนึ่งที่มันเห็นกันบ่อยคือ ก็เราไม่ใช่พระอริยะก็เรามันปุตุชนเน่นะเพราะอันนี้เขาเป็นมานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วความคิดเหล่านี้ไม่ควรให้เกิดขึ้นสาวกทั้งหลายเขาควรคิดว่าทำไงหนอเราจะปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกโทษภัยทั้งหลายเหล่านี้เขาจะตั้งตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไว้อย่างนี้ไม่ใช่ไปคิดว่าก็เรายังละไม่ได้ก็เรามันไอเรามันก็นน ท่านขอมาก็ น, นีึกว่าให้ห่างๆคนประเภทนั้นเอาไว้บ้างก็จะดีมากเพราะว่าจะนํามาซึ่งไม่เป็นมงคลเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยภาพเพียรเพื่อที่จะกําจัดคือไม่ให้ไม่เห็นโทษในบาปอากุศลในขณะเดียวกันยินดีที่จะเจริญบาปอากุศลนั้นน่ะ ม, มากขึ้นมากขึ้น น, น, นะนันเราควรตั้งสรุปนะโดยคําสอนเนี่ยให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิไว้สี่อย่างอ่ะไม่ผิด ถ้ากล่าวถึงทุกขสัตว์เมื่อไหร่ให้ตั้งอัธยาสายไว้ว่าเราจะทําปริญญาคือจะอะไรก็ช่างเถอะขอให้อยู่ในทุกขสัตว์นะตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ไว้ว่าเราจะทําปริญญาถ้าพูดสมุทัยศัตร์หรือบาปอากุศลใดๆตั้งอัธยาศัยไ้เลยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อละถ้ากล่าวถึงนิโรธศัตร์เนี่ยนะถึงเราไม่ยังไม่เห็นยังไม่บรรลุแต่ให้ตั้งอัธยาศัยไว้ว่าจะต้องบรรลุ ถ้ากล่าวถึงกุศ ล, ลธรรมโดยเฉพาะมรรคกุศลเป็นต้นตั้งอัธยาสัยไว้เลยว่าเราจักบำเพ็ญเนี่ยนะอันนี้เป็นกิจที่สาวกทั้งหลายเขาพึงตั้งอัธยาศัยกันไว้อย่างนั้นอย่าไปหาเหตุผลจนว่าเราไม่ใช่พระอรหันั่นพระอริยะเราไม่เป็นเนี่ยนะก็ความคําพูดทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่กุศลเนี่ยนะแล้วมีโทษด้วยขวางกั้นด้วยสมมติถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช่พระอริยะนะ อก็เรามันสมมติว่าเราโกรธขึ้นมาใช่ไหมหรือเราไปชอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกตัวเลยก็เรามันปู่ตุชน <c oughs> พอคิดอย่างนี้ขึ้นนะจะคิดว่าจะปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันไหมขณะนั้นนะไม่เป็นแ <c oughs> ถ้าเราโกรธขึ้นมาก็บอกเราไม่ใช่พระอนาคามีคิดไหมว่าตอนนั้นฉันจะปฏิบัติเพื่อกำจัดความโกรธให้ได้ไม่เป็นพอพูดถึงมานะปั๊บฉันยังไม่ใช่พระอรหันต์ ก็เลยอนุรักษ์นิยมเอาไว้หมดเลยนะก็ก็ฉันจะอนุรักษ์มั น, นเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ควรตั้งอัธยาสัยแบบนั้นนะควรตั้งไว้ถ้ากล่าวถึงอกุศลเมื่อไหร่ให้ตั้งไว้ว่าเราจะ ก, กําจัดให้ได้ถึงวันนี้ยังกําจัดไม่ได้ก็จะ ก, กําจัดให้ได้ถามว่าเหมือนอะไรคือถ้าเป็นใครตูหนังจีนมาเยอะๆเลยนะพวกเนี่ยนะสมมติว่าพ่อแม่เราถูกฆ่านะถูกโ oh, หคนใหญ่คนโตมาฆ่ามาก คนใหญ่คนโตจริงๆอ่ะมาฆ่าพ่อแม่เรานะเด็กคนนั้นจะคิดยังไงโอ้มันใหญ่โตมากเหลือเกินเลยนะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมบอกว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของฉันบ้างอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพูดถึงบาปอกุศลก็เหมือนกันว่าถึงมันจะขนาดไหนก็ช่างเถอะวันหนึ่งฉันจะต้องกําจัดมันให้ได้ตั้งอัธยาสัยอันนี้ไว้คือจะไม่ให้ค่ามันะไม่ให้ว่ามันมีค่าเพราะอะไรเพราะว่ามันนํามาซึ่ง ซึ่งกองทุก่นะมันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็นำมาซึ่งซึ่งทุกข์มันนำมาซึ่งชาติชรามรณะเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ไม่ควรส่งเสริมไม่ควรให้คุณข้าไม่ต้องไปยกยอมันเลยว่ามันก็คืออกุศลมันมีโทษมันให้ผลนําเป็นชาติชรามรณะถ้ายิ่งโดยเฉพาะมานะเลยนะถ้าถ้าเราบอกว่าเออเรายังไม่ใช่พระอรหันต์่านมานะมันจะเกิดก็ช่างมันถามว่ามานะเนี่ยอันนี้ส์มันให้ผลเป็นยังไงคุณสุจิน มานะนะอันนี้สองห้องมานะคืออะไรคนในโลกนี้ตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำมากกว่ากันเนี่ยคือผลของมานะเนี่ยนะยิ่งอินเดียนะวันณนะพรามมาะกษัตริย์เนี่ยกับวันณนะอาทิสูตรที่เรียกว่าจันทานเนี่ยนะอันไหนมากกว่ากัน น, นะก็พวกจันทานเนี่ยขอทานทั้งหลายหละอาทิสูตรทั้งนั้นนะ่ยจันทานทั้งนั้นเนะี่ยนี่คือผลของมานะเนี่ยนะ ถึงว่าเราอย่างละไม่ได้แต่ก็ต้องเห็นภัยเพราะว่านำมาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังอย่าลืมว่าผลของมานะที่เยอะยิ่งเนี่ยนะถ้ามันให้ผลนำเกิดจะเป็นที่รังเกียจยิ่งกว่าเดราชานอีกเดราชานทั้งหลายเขายังเอามาเลี้ยงดูว่าง่ายไแต่ถ้าคนที่มีมานะนำเกิดนะเขาไม่เอามาดูอ่ะสมมติถ้าคนถ้ า, ถ, าถ้าเกิดในตระกูลต่าด้วยแล้วก็ คือเราว่าเสียหายหมดเลยนะไม่มีใครเอาไปเลี้ยงไม่ดูเล่นที่บ้านหรอกนี่นะถ้าเป็นอย่างอื่นเขายังเอาไปเลี้ยงให้ข้าวให้น้ํากินอยู่นะเอาใส่กรงไว้เออตรงนี้ก็ยังดีนะเช่นนกหนูปูปีกก็ยังเอามาเลี้ยงกันไว้บัางแต่ถ้าผลถ้าให้มานะนำเกิดนะใครก็ไม่เหลียวแลเลยมีอยู่ชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลจันทร์นนะนะแม่ก็ขอทานกินนี่พอแม่ไปขอทานก็จะปล่อยให้ลูกเนี้ยอยู่กับสุนัข ใ ห, ให้แม่หมาเนี่ยเลี้ยงแทนนั่นะก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างไงแล้วก็อันนี้อีกชาติหนึ่งอีกชาติหนึ่งก็เกิดเป็นยันทานเหมือนกันเ็เกิดเป็นยันทานพอก็ขอทานจนลืมเจริญเติบโตเนี่ยนะอาชีพเขาก็คือเล่นกายกรรมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะให้คนดูแล้วเขาสงสารก็จะได้ให้เศษสตังไปแต่ก็ไปใช้ชีวิตแบบนั้น พอใช้ชีวิตแบบนั้นมีอยู่วันหนึ่งแลก็ชื่อว่า น, นางทิ tha มังคลิกาเนี่ยเดินผ่านมาทางนั้นนางคนนี้ถือถือการเห็นเนี่ยเป็นมงคลเพราะถ้าเขาเห็นจันทาเ น, นี่ยเขาต้องเอาน้ําหอมมาล้างตาเขาถือว่ามันมันเสียหายมากมันอับประมงคลมากมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาไปเห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยแหละเขาเลยเอาน้ํามาล้างตาวันนั้นเขาเขาเตรียมสบียงเต้นไปหมดเพื่อจะไปเที่ยวสวน จะไปเล่นเพลินในสวนเนี่ยนะไปเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ข้างประตูมันก็เลยเห็นแล้วก็โหเหลือบหลับเรียกว่าหลับตาออกเลยนะแล้วก็เอาน้ำมาล้างตาน้ำล้างตาเสร็จไม่เที่ยวไม่อะไรแล้ววันนี้อับประมงคลอย่างแรงมาก น, นะก็ด้วยความโกรธเนี่ยนะก็กลับไปพอกลับไปเนี่ยพวกบริวารทั้งหลายเนี่ยไมหมั่นไส้พระโพธิสัตว์มาก เขแกตัวเดียวเนี่ยทำให้ฉันอดดื่มเหล้าเพราะไอ้ที่เขาไปเที่ยวนั้นเขาเตรียมสเบียงไว้เต็มไปหมดนะนี mm. เพราะพวกที่จะไปเที่ยวไปดื่มไปกินนี่ก็เตรียมกันไปเต็มที่เพราะนั้นพวกนั้นก็เลยรุมสกรรมพระโพธิสัตว์กระทืบจนนึกว่าตายแล้วก็ไปโยนทิ้งไว้ในกองขยะนี่นะเพราะถ้าชีวิตอินเดียมเป็นอย่างนั้นจริงๆนีนมันมันแทบไม่รู้จะมีค่าหรือเปล่าไม่รู้ก็ยังนึกถึงว่าประชาชนอินเดียเนี่ยที่ว่ามีเป็นพันล้านเนี่ยนะหรือเกือบพันล้านคนเนี่ย แล้ที่ไม่ใส่สัมนโนโครัวอีกมันเท่าไหร่นะที่ไม่มีบัตรประชาชนที่ไม่ลงทะเบียนราศีว่าเป็นคนอะ่ะมันนะมีอีกเท่าไหร่ทั้นถ้าถ้ากลุ่มเหล่านี้ตายก็ไม่ได้นึกว่ามีค่ามีอะไรทั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ถูกโยนไว้ในกองขยะเขาก็จากไปอันนะัพระโพธิสัตว์ก็ไม่ตายง่ายๆก็ดุกเหล็กดุเหมือนกันฟื้นขึ้นมาลึกได้โวนางที่ถามังคลิกานี่แหละอันนะที่ที่มาเดือดร้อนนะตอนหลังแกก็ออกบทแล้วก็เจริญฌานได้ชาน เพราะมานะทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดขึ้นนะมันจะทําให้เกิดในในที่ที่เป็นที่สังคมรังเกียจเนี่ยนะเขาไม่ชอบอ่ะเนี่ยนะเป็นที่ดูหมิ่นเป็นที่เหยียดหยามเป็นที่ดูแคลนเพราถ้าคนที่อ่อนน้อมนะผลของการอ่อนน้อมทําให้เกิดตระกูลสูงเพราะเกิดตระกูลสูงนะตัวที่มาทําลายต่อคือมานะพอมีมานะเข้าอาวก็ปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเป็นตระกูลต่าอีกทีนี้ถ้าตระกูลต่ําแล้วก็ยากเหมือนกันนะที่จะเข้าไปเกิดใน ในตระกูลสูงแล้วพอพวกกลุ่มมานะนะไม่ค่อยฉลาดบางที